คำอนุโมทนาของเท้าส ก, กะเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นคำที่มีคติที่ลึกซึ้งมีเนื้อหาอัตถะที่ลึกซึ้งย้ำอีกครั้งในว่าเมื่อพระองค์ทรงให้สิ่งที่ให้ได้ยากพระองค์นี้กระทำสิ่งที่กระทำได้ยากคนที่เป็นอสสัต์บุรุษก็ทำตามได้ยากธรรมะของสัตว์บุรุษนำไปได้ยากคืออสสัต์บุรุษปฏิบัติตามยากนั่นเอง เพราะฉะนั้นคติของสัตว์บรุษและอสัตว์บุรุษถ้าจากโลกนี้ไปแล้วจึงต่างกันตอนที่อยู่ในโลกนี้ก็ยังเดินคละาเคล้ากันไปเดินสลับหน้าสลับหลังกันไปเหมือนจะอยู่ด้วยกันแต่จากโลกนี้ไปแล้วอสัตว์บุรุษย่อมไปตกนรกสัตว์บุรุษย่อมไปสวรรค์อธิบายว่าบทว่าทุตทางก็คือให้ได้ยาก นะที่พระโพธิสัตว์ให้ไม่ว่าจะให้บุตรให้พระญาเพราะฉะนั้นท่านนี้ได้ให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากมีพระญาเป็นต้นกระทําในสิ่งที่กระทําได้ยากนั้นพระสาวกพระปัเจ ก, กพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์เหล่าอื่นกระทําตามไม่ได้คือหมายถึงว่าคนทั่วไปธรรมดาเช่นว่าสาวกกับโพธิสัตว์ปัจเจกโพธิสัตว์โพธิสัตว์ที่ปรารถนาเพื่อจะเป็นสาวกหรือผู้ที่ปรารถนาเพื่อจะเป็น พระประเจกพระพุทธเจ้ากระทำตามไม่ได้จะป่วยกล่าวไปยายถึงอาศัตรุบผู้มีความตะหนีเล่าเนี่ยนะขนาดคนดีๆระดับนั้นยังทำตามไม่ได้สาวกทั่วไปทำตามไม่ได้แม้กระทั่งว่าอะไรนะผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นทาไม่ได้แต่ผู้ที่ปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทาได้ เพราะฉะนั้น ร, รมของสัตว์บุรุษคือพระโพธิสัตว์เพื่อผู้ที่ปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมที่ทำได้ยากเป็นข้อปฏิบัติของคนดีที่บุคคลอื่นทำตามได้ยากเทา้ากสกะสันเสริญอนุโมทนาพร่ำมหาบุรุษอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงมอบพระนางมัสสีเทวีคืนให้ก็ตรัสว่า ข้าพเจ้าขอถวายพระนางมัสีอัครมเหสีผู้มีผวรกายงามพร้อมแก่พระองค์พระองค์เท่านั้นคู่ควรแก่พระนางมัสีและพระนางมัตสีก็คู่ควรแก่พระองค์ผู้เป็นพระสวามีแล้วก็มอบพระนางมัสีให้เสด็จประทับบนอากาศรุ่งโรจน์ไปด้วยอัตภาพอันเป็นทิพย์หลุดดวงอาทิตย์อ่อนๆประทับอยู่บนอากาศแสดงพระองค์ให้ปรากฏตามเป็นจริงว่า ข้าแต่พระราชฤาษีข้าพระเจ้าคือเท้าสักกะจอมเทพมายังสำนักของพระองค์ขอพระองค์จงทรงเลือกพรข้าพระองค์จะถวายพรแปประการแก่พระองค์พระโพธิสัตว์ก็ขอพร8 ป, ประการดังต่อไปนี้ 1. น่ข้าแต่จอมเทพขอพระบิดาทรงแต่งตั้งข้าพระองค์ให้ดํารงอยู่ในราชสมบัติ คือเนื่องจากว่าชาติของพระองค์เนี่ยนะมีอัธยาศัยในการให้ทานพระองค์จึงน้อมไปเพื่อที่จะให้ทานเมื่อพระองค์มาอยู่ในป่าก็ยากที่จะได้ให้ทานเพราะฉะนั้นขอให้ได้กลับไปอยู่ในราชสมบัติจะได้ให้ทานได้ตามเดิมขออ้อ 2. ขอให้ข้าพระองค์ได้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องถึงประหารชีวิตให้พ้นจากการประหารขอา้อ3ขอให้ข้าพระองค์เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลาย อันนะั้นก็คืออยากจะช่วยอยากจะสงเคราะห์อยากจะเกื้อกูลอยากจะนําประโยชน์ไปให้แก่สัพพสัตทั้งปวง mm hmm. ข้อ 4. ขอให้ข่าพระองค์อย่าได้ล่วงเกินพริยาของผู้อื่นอย่าได้ลุกอานาจของสัตว์ทั้งหลายเลย น, นะเข้ามาเขาว่าถ้าเห็นพริยาของผู้อื่นที่งดงามเป็นต้นขออย่าได้ล่วงเกินพริยาของผู้อื่นเลยข้อ 5. ขอให้โอรสของข้าพระองค์มีอายุยืนนาน นะขอให้พระกัรหาชาลีอายุยืนนานข้อ6ขอให้ทยธรรมมีข้าวและน้ำเป็นต้นเนี่ยมีมากข้อ7ขอให้ข้าพระองค์มีใจผ่องใสบริจาคทานเหล่านั้นไม่รู้จักหมดจักสิน้นะทิจริงก็มีท่านในชาดกท่านบอกว่าเมื่อให้ทานแล้วก็ขอให้ใจผ่องใสไม่ใช่ขุนมันะถ้าอธิบายเพิ่มเติมก็คือ ตอนที่พระองค์ให้การหาชาลีไปในใจปเป็นไงตอนให้เสร็จเนี่ยผ่องใสจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยนใจไม่ผ่องใสเพราะเพราะอะไรเพราะยังมีอะไรอววรในในลูกรักเพาะเข้าโบยเข้าเคียนเข้าตีจิตเนี่ยคิดน้อมไปเพื่อจะฆ่าชูชกด้วยซ้าไปเพราะว่าแมไม่เห็นใจเราเลยไม่สงสารเราบ้างเลยไม่สงสารเด็กเลยทำไมใจดำขนาดนั้นเป็นต้นอันนั้นท่านก็เสียใจว่า ท่านไม่น่าจะต้องมาเศร้าหมองแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นการทำบุญทำกุศลทุกครั้งขออย่าได้เศร้าหมองในภายหลังขออย่าได้ลำบากใจในภายหลังพะะนันบุญที่ทาไปแล้วก็ขอให้เป็นบุญที่ทำไปดีแล้วเนี่ยนะบางคนเนี่ยพอปลูกพืชคือบุญสำเร็จแล้วก็ไปคุยเอ า, มาเมเล็ดพืชคือบุญเนี่ยคืนหมดอันนั้นท่านนี้ก็เสียหายนะ ข้อสุดท้ายขอให้ข้าพทานที่ข้าบองค์บริจาคอย่างนี้สิ้นชีวิตแล้วขอให้ไปสู่เทวโลกกลับจากเทวโลกมาเกิดในมนุษยโลกนี้ขอให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตยานก็คือตายจากนี้ขอให้ไปเกิดในดุสิตจนสิ้นอายุไรจุติจากดุสิตก็มาเป็นพระพุทธเจ้า ท้าวสักกาก็ตรัสว่าในไม่ช้าพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชบิดาจักเสด็จมาณที่นี้รับเอาพระองค์ไปดํารงในราชสมบัติอันหนึ่งความปรารถนาทั้งหมดของพระองค์จักถึงที่สุดพระองค์อย่าปริวิตตกคืออย่าลำบากใจไปเลยขอพระองค์อย่าได้ประมาทนีนะก็หมายคําว่าขอให้รักษาคุณงามความดีเหล่านี้ต่อไปอย่าได้เปิดโอกาสให้บาปและอกุศลทั้งหลาย ครั้นประธานโอวาทแล้วกเ็เสด็จกลับเทวโลกทันทีพระโพธิสัตว์และพระนางมัสยีก็เบิกบานบันเทิงใจประทับอยู่อาสมที่เท้าสกกระประทานให้ฝ่ายชูชกะเมื่อชูชกพาสองกุมารไปทวยเทพก็ทำการอารักขาทุกๆวันนะทุกๆวันจะมีเทพพธิดา น, นะกับเทพพระบุตรเนี่ยแปลงเพศมาดูแลสองกุมาร ชูโชคนั้นเทวดาโดนใจคิดว่าจะไปกระลิงครัตแต่ก็ไปถึงกรุงเชตุดรโดยครึ่งเดือนเนี่ยนะก็ลำบากอยู่ครึ่งเดือนพระราชากำลังประทับนั่งณนะที่วินิจฉัยทอดพระเนตรเห็นสองกุมารกับพราหมณ์ที่พระลานหลวงจำได้ก็รับสั่งให้เรียกสองกุมารกับพราหมณ์มาแล้วก็ฟังเรื่องราวพระองค์ก็พระราชท า, านทรัพย์ตามจานวนที่พระโพธิสัตว์ตีราคาเอาไว้ไถ่สองกุมาร ให้สองกุมารเนี่ยสงสนานเสวยพระกาหารตกแต่งด้วยเครื่องศัพท์พระอลังการคือตอนแรกเนี่ยพอเห็นหลานก็บอกหลานมานี่สิเนี่ยนะมานั่งบนตักปู่บอกไม่ได้ตอนนี้ข้าพระองค์เป็นทาสอยู่นะก็เลยให้ปู่ตีราคาพอตีราคาเสร็จก็อาบน้ำแต่งตัวก็มานั่งอยู่ในบนตักของปู่บนตักหญ้าประดับประดาตกแต่งเรียบร้อยแล้วพระราชาก็ให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเพลา พระนางพุสดีผู้เป็นย่าก็ให้พระแก้วชินาการหาชินาประทับนั่งบนพระพราสสับถึงเรื่องราวของพระโพธิสัตว์และพระนางมัสสีราชบุตรีนะก็เรียกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังเลยนะทั้งปู่ทั้งย่าก็สลดใจมากนะสังเวชใจว่าเรานี่ได้ทำลายความดีงามเสียใจมากเลยว่าเราเนี่ยได้พระราชาะนะได้ขับไล่คนมีคุณธรรมออกจากบ้านจากเมือง ก็เลยจัดกองทัพใหญ่สิบสองอักโคพินีเนี่ยนะก็คือเรียกว่ารวมกองทัพใหญ่มากเลยมุ่งพระพักไปยังภูเขาวงกฏพร้อมด้วยพนางพุษดีเทวี TV, และสองกุมารอันนะั้นเรียกว่ามีสองกุมารเป็นคนพาไปเสด็จไปถึงโดยลำดับก็เข้าไปหาพระโอรสและพระสุนิสาคือสภยัยพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นปียบุตรไม่สามารถจะอดกลั้นความโศกก็สลบล้มลงณนะบารรณศาลานั่นเอง านางมาสัสีพระชนกชนนีอ ม, มาดก็เรียกว่าสหาชาติก็สลบลงใไปหมดหออเป็นลมกันหมดเลยบรรดาผู้เห็นกรุณานั้นก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่โดยความเป็นของของตนได้ตลอดอาสมมาบทก็เหมือนป่าสาระที่ถูกลมยุคขันตว่าหมกระหน่ำฉะนั้นสรุปว่าเป็นลมกันหมดเลยทั้งคนไปทั้งคนชมทั้งผู้อะไรก็เป็นลมกันหมดท้าวสากาเทวราชเพื่อจะให กษัตริย์และอมาตย์ฟื้นจากสลบก็บรรดาให้ฝนโบกครพัดตกลงมาผู้ประสงค์จะให้เปียกก็เปียกหลุดฝนตกลงในใบบัวก็กลับกลายเป็นน้ำไหลไปทั้งหมดก็ฟื้นขึ้นมาแม้ในครั้งนั้นความอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้นก็มีแล้วอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าพระชนกชนนีเข้าไปหาอนัเสเดจเข้ามาในพร้อมกันในป่าใหญ่ ทรงการแสงสะอึกสะเอินหน้าสงสารตรัสถามถึงสุขถึงทุกข์แก่กันและกันอยู่เราได้เข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีทั้งสองผู้เป็นที่เคารพด้วยหีริและโอตาปะแม้ในการนั้นแผ่นดินเขาเซเนรุราชก็หวั่นไหวคาว่าฮีโรตเปนะครุณาอุพิ น, นังเราได้เข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีผู้เป็นที่เคารพด้วยฮีรรและโอตาปะ เราไม่ได้มีจิตคิดโกรธเคืองว่าคนเหล่านี้ขับไล่เราผู้เชื่อฟังคําของชาวศรีพีผู้ไม่ประทุษร้ายนะก็คือพ่อเนี่ยไม่น่าจะไปเชื่อชาวบ้านชาวเมืองขับไล่เรามาเลยอย่างเงี้ยไม่มีใจคิดแบบนั้นเลยตั้งอยู่ในกุศลธรรมอย่างเดียวเข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีด้วยหีเรและโอตตะปะละอายใจต่อตัวเองเคารพ บ, บิดามารดาอย่างแรงกล้าเกิดความเคารพขึ้นในธรรมในพระชนกชนนี มหาปตพีก็หวั่นไหวในครั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่7ใช่ไหมครั้งนั้นพระเจ้ากรุงสันชัยมหาราชทรงให้พระโพธิสัตว์ยกโทษให้แล้วก็มอบราชสมบัติให้ครอบครองในขณะนั้นนั่นเองพระองค์ก็ทรงให้พระโพธิสัตว์ปรงเกษาเรียกว่าโกตัดผมอ่ะนะโกนนวดเป็นต้น ให้สงสนานอภิเศกพระโพธิสัตว์ผู้ตกแต่งด้วยสัพพะอลังการงดงามดังเทวราชเอาไว้ในราชสมบัติพร้อมกับพระนางมัสสีเทวีทันใดนั้นเองพระองค์ก็ลุกขึ้นพร้อมด้วยเสนาสีเหล่านะนะมีประมาณ12สองอโคพินีพร้อมอเวดล้อมด้วยพระโอรสรับสั่งให้ตกแต่งหนทางห0สบโยตตั้งแต่เขาวงกฏถึงกรุงเชตุดรเสด็จเข้าไปสู่พระนครโดยสวัสดี นะใช้เวลาเดินทางสองเดือนก็คือเดินทางวันละ16กิโลเมตรไปเรื่อยๆเนี่ยนะสเดือนก็ถึงเมืองมหาชนได้สเสวยปีติโสมนัตเป็นอันมากต่างก็โยกผืนผ้าเป็นต้นโบกไปมาเที่ยวประโคมนันทเพรีเรียกว่ากลองแห่งความยินดีกลองแห่งความบันเทิงก็ตีไปทั่วพระนครสัตว์ทั้งปวงโดยที่สุดแมวที่อยู่ในเครื่องผูกมัดก็ได้พ้นจากเครื่องผูกมัดสุนัขถูกล่ามโซ่ก็หลุดหมดตรงนั้น พระโพธิสัตว์นะ่นนะในเย็นวันนั้นก็เข้าไปสู่พระนครนั่นเองตอนใกล้รุ่งคิดว่าพรุ่งนี้ตอนสว่างยาจกทั้งหลายได้ข่าวว่าเรากลับมาเราจะให้อะไรเป็นทานแก่ยาจกเหล่านั้นเนาคนที่ให้เนี่ยคิดแต่จะให้อะนะเพราะฉะนั้นว่าเอ้เนี่ยพรุ่งนี้เช้าเขาต้องมาขอเอ้เราจะให้อะไรดีเพราะไปอยู่มาตั้งนานเนี่ยนะจนบรรจบเรียกว่าจนไปหมดแล้วเหมั้น อาสนะของเท้าสกา ก, ก็แสดงอาการเร่าร้อนเท้าเธอรำพึงอยู่ทราบเหตุนั้นแล้วทันใด น, นั่นเองทรงบันดาลให้สิ่งของที่มีอยู่เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นในตอนต้นตอนหลังเนี่ยในพระราชินิเวศก็เต็มประมาณเอวประทานให้ฝนตกในดุดก้อนเมฆ ก, ก็คือให้ฝนรัตนะเจ็ประการตกทั่วพระนครสูงปานเขา่าเนี่ยนะ เรียกว่าคนที่ทําบุญเนี่ยนะคนที่มีบุญมีกุศลเจริญบุญเจริญกุศลเช่นกับพระเวสสันดรเนี่ยนะฝนรัตนะก็ตกลงมาแต่คนบาป ท, ทั้งหลายฝนระเบิดฝนหอกฝนดาบก็ตกลงมาแต่กระจัดกระจายไปหมดเลยนะต่างกันอย่างนี้แหละที่พระองค์เล่าว่าอีกครั้งหนึ่งเรากับบรรดาพระญาติของเราออกจากป่าใหญ่เข้าไปสู่กรุงเชตุดร อ, อันนารื่นรม แก้วเจ็ประการก็ตกลงมาแล้วมหาเมฆก็ยังฝนให้ตกแม้ในการนั้นปัตภพีเขาสินรีรุราชก็หวั่นไหวแม้แผ่นดินไม่มีจิตใจไม่รู้สึกและทุกข์ก็หวั่นไหวถึงเจครั้งเพราะกำลังแห่งทานของเราชนิแลนะพระองค์นี้บริจาคทานเนี่ยถึงกับแผ่นดินไหวเลยนะที่พระโพธิสัตว์คิดว่าทรัพย์ที่มีอยู่ในวัตถุที่มีอยู่ก่อนและก็มีทีหลังในตระกูลจงเป็นของตระกูลนั้น พระองค์ก็พระราชทานนำส่วนที่เหลือมาใส่ไว้ในท้องพระคลังรวมกับทรัพย์ในวัตถุที่มีอยู่ในพระราชนิเวศของพระองค์และพระองค์ก็บริจาคมหาทานบทว่าสตักขตุงประกรรปท ะ, ะความว่าแผ่นดินคือมหาปตพีเนี่ยไหวถึงเจครั้งในฐานะเหล่านี้คือเมื่อเราอายุได้แดขวบเกิดอัธยาศัยในการให้ทานว่า เราพึงให้แม้หัวใจและเนื้อเป็นต้นแกยาจกทั้งหลายอันนี้แผ่นดินก็ไหวครั้งแรกครั้งที่สองเมื่อให้มงคลหัตถีแผ่นดินก็ไหวครั้งที่สมเมื่อให้ครั้งใหญ่อ่ะนะสัตตะสะดกมหาทานแล้วก็ถูกขับไล่ตอนนั้นก็แผ่นดินไหวครั้งที่สี่ก็ให้บุตรครั้งที่หให้พระยาครั้งที่6คราวที่พญาตเข้าไปถึงท่านตั้งฮิริโอตะปะใน พระราชบิดามารดาอันนั้นแผ่นดินก็ไหวคราวที่มาสู่พระนครแผ่นดินก็ไหวคราวมาสู่พระนครแล้วก็ฝนรัตนะตกนะนี่แผ่นดินไหวก็รวมเป็นเจดครั้งพระโพธิสัตว์บริจาคมหาทานตราบเท่าพระชนมายุเป็นเหตุปรากฏความอัศจรรย์มีแผ่นดินไหวเป็นต้นเจครั้งในอัตภาพเดียวเท่านั้นสวรรคตรจากชาตินั้นก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ครั้นพระเวสสันดรมหาราชผู้เป็นกษัตริย์มีพระปัญญาพระราชทานมหาทานครั้นสวรรคตแล้วก็อุบัตในสวรรค์น น, นะพระนางอมิตต า, ตาปนาก็คือใครนางจินจามานาภิกาหญิงที่ไปกล่าวตูพระพุทธเจ้าว่ามีท้องอ่ะนะในพรานเจตบุตรก็คือพระฉันนะอจุตดาบดฤสีก็คือพระสารีบดเทา้าสกะคือพระนรุทธะ พระนางมัสีก็คือพระมารดาของพระราหุลชาลีกุมารคือพระราหุลกัญหาชินาก็คือนางอุบลวรรณาพระชนกก็คือมหาราชคือพระเจ้าสุโธทนะบริษัทที่เหลือก็เป็นพุทธบริษัทพระเวสสันดรก็คือพระโลกนาถพระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกคุณนานุภาพของพระมหาบุรุษในชาตินี้เนี่ยนะมีเหตุการณ์ที่อัศจรรย์หลายอย่าง นะเช่นมหาปัทภีแผ่นดินไวเนี่ยถึงเจ็ดครั้งด้วยกันอันนี้คุณธรรมที่เห็นๆ เ, เลยก็คือแผ่นดินไววเจ็ดครั้งใช่ไหมแม้กระทั่งพิเศษอย่างอื่นอีกตอนที่พระโพธิสัตว์อยู่ในคันพระชนนีแพ้คันก็มีพระประสงค์จัดสละทรัพย์ถึงวันละหกแสนทุกๆวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากอัธยาศัยเนี่ยเป็นนักให้ให้จริงๆเลยนะ ต่อไปเมื่อทรงให้ทานพระราชทรั์อยู่ซั์เหล่านั้นก็ไม่ได้หมดสิ้นไปซั์ก็ไม่หมดศรัทธาก็ไม่หมดเนี่ยนะในขณะประสูต์นั่นเองพระองค์เหยียดพระหัตถ์แล้วเปล่งวาจาว่าหม่อมชั้นจะให้ทานแม่มีอะไรบ้างจะให้ทานและต่อไปเมื่อพระพระองค์มีพระชนได้สี่ห้าพันสาความที่พระองค์นี้มีพระประสงค์จะให้เครื่องประดับของพระองค์แก่พระแม่นมทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งความเป็น ผู้เลิศเนี่ยนะก็ให้เครื่องประดับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นก็ให้เขาไปหมดเมื่ออายุ8พรรษาก็น้อมไปเพื่อจะบริจาคชีวิตเป็นต้นเนี่ยนะรประสงค์จะให้อวัยวะของพระองค์มีเนื้อหัวใจเป็นต้นสรุปว่าท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาอย่างนี้แม้เพียงจิตที่เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุก นะถ้าเลื่อมสายศรัทธาก็พ้นจากทุกข์สามารถเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้จากป่วยกล่าวไปยิ่ถึงการปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นโดยทาสมควรแก่ทาถ้าปฏิบัติตามคำสอนอ้เรียกว่าถ้ายังจิตให้เลื่อมใสในพระเวสสันดรเขาก็ยังไปสู่สุคติโลกสวรรค์ จะปลุกเปล่าวไปยายถึงการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โสดาปฏิมักเป็นต้นเขาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมพ้นจากสังสารทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสก็พ้นไปจากทุกขพรันเราทั้งหลายหลายท่านฟังมาแล้วบอกว่ายังทําไม่ได้ก็ฟังไม่ได้ฟังเพื่อให้ไปบริจาคแบบนี้ว่าบริจาคไม่รู้ใครจะเอาหรึเปล่าเขาไม่ทราบนะ เพราะว่าเราก็ยังจิตให้เริ่มสายอนุโมทนากับพระโพธิสัตว์ท่านเธอเนี่ยนะแล้วก็จะได้ระลึกถึงว่าปุพพะจริยาคุณคุณที่พระองค์ปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการกระทําที่ทําได้ยากเนี่ยนะเมื่อพระองค์ได้ทำในทำสิ่งที่พระองค์ทําได้ยากพระองค์จึงได้ตรัสรู้ในสิ่งที่ตรัสรู้ได้ยากเมื่อตรัสรู้ในสิ่งที่ตรัสรู้ได้ยากก็เอาคําสอนเหล่านั้นมาสอนเนี่ยนะมาสอน แต่พระธรรมเหล่านั้นหลายท่านก็บอกว่ายากอีกนั่นแหละถ้าเรายากยากแบบนี้แสดงว่าเราอยู่กลุ่มไหนเนี่ยท้าวสากาวว่าไงนะเมื่อกี้าากาท้าวสกาวบอกว่าทำของสัตว์บุรุษเนี่ยนะทำได้ยากอาสัตว์บุรุษทาตามได้ยากถ้าเราบอกทุกอย่างยากไปหมดเลยนะรู้แล้วว่าเราเป็นใครใช่ไหม ประกาศฐานะที่เป็นจริงของตัวเองไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นยังจิตให้เลื่อมสายเธออะไรที่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นพระธรรมคําสอนน้อมใจเพื่อจะปฏิบัติตามตามเท่าไหร่ก็ตามสติกามกําลังถ้าหากว่าอ น, นัคุศลลดลงทําไงดีถ้าศรัทธาของเราในพระพุทธเจ้าลดลงแสดงว่าเราก็น่าเป็นคนที่น่าสงสารมากนะนะพระองค์บําเพ็ญบารมีกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขนาดศรัทธาของเราก็ยังไม่เป็นที่ตั้งแห่ง ปีติและปราโมทนี้ตั้งใจว่าเมื่อไหร่นะได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าก็ปีติเลยทุกครั้งไปเนี่ยนะเมื่อไหร่จะทําได้อย่างนั้นเนี่ยนะพอได้ยินอารหังปั๊บปีติตื่นขึ้นมาเลยอย่างเง้ยนะเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนี้สักทีหนึ่งเนาะมาอาระหังง่วงซึมทุกครั้งไปถ้าอย่างนี้ก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะมันก็เมื่อไหรนะสัมมาสัมพุทโธก็ปีติและปราโมทได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าก็ปีติและปราโมทปีติและปราโมทเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้ พ้นจากความทุกข์ด้วยบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจฟังศึกษาจริยาปิดกเหล่านี้บุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อแต่สรุธรรมตามพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านก็ขออนุโมทนา